ใจแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปเนื่งองจากเรามีเวลาน้อยดังนั้นก็จะนำเอาเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของการปฏิบัติมาพูดให้ฟังเพื่อเราเราจะได้เอาไปทำได้ให้จุนนั่งโต้ตรงตนัตรงอย่าไปเอาใส่ลงงพ่อเสา พุทธังแ ส, ง ส, น, งสนังกษามิหลวงพ่อเสาหนังแสังกสามิแล้วพึ่งตัวเองพึ่งหลังอใส่หลวงพ่อหลังอย่าใส่หลวงพอว่อเสาการปฏิบัติตัวปฏิบัติจะเริ่มต้นจริงๆ่ะเริ่มต้นอย่างไรสำรวจลงไปเอาให้เห็นชัดๆเลยนะวันนี้นะจำได้ก็ได้จำไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญ คือว่าเป็นกุญแจที่ต้องเอาไปทำทีเดียวนะก hmm. ลับตาบืมตากว้างๆมองหน้าหลวงพอ่อชัดๆน้ำจูนเดี๋ยวจะจำหน้าก็ไม่ได้ว่าหลก ม, มันระเบิด <laughs> เดี๋ยวจะหลงทางกันเอออย่าไปหลับตาให้มันยากเอ่อขณะนี้ที่นั่งมาเกือบชั่วโมงเนี่ยอะไรชัดที่สุดใครเป็นผู้นั่ง ได้เห็ น, านาฮะา น, านั่นนะ่ะทุกวิวทนาเกิดจากอะไร จ, จิตที่เปันทุกข์จิตนี่มันอาศัยอะไรจิตก็อาศัยความรู้สึกที่เรารู้ไปแล้วความรู้สึกน่ะอาศัยอะไร ออ่ามันก็วนไปวนมาดิจิตอาศั้เรื่องนั้นจิตก็ดีความรู้สึกก็ดีมันเกิดจากอะไรไ น, ะนั่นแหละการปรุงแต่งมันเกิดจากอะไรทําไมไม่ตอบว่าเกิดจากรูปกับน้<อ>ําอ <c oughs> ถ้ามันไม่มีกายไม่มีใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมาได้ไหมนี่อย่าลืมนะ แล้วนั่งอยู่เนี่ยคือรูปคือ น, นามไม่ใช่นางสุวรรณานะไม่ใช่นางสงปราถนานะรูป ก, กับนามขอโทษที่เอ่ยชื่อรูป ก, กับนามมันต้องมีรูป ก, ก่อนแล้วก็ถึงจะมีความรู้สึกแล้วนั่งมาเนี่ยรู้สึกเกี่บชั่วโ ม, มงรู้สึกตึงขาใช่ไหมสำรวจลงไปนอกจากตึงที่ขาแล้วตัวไหนอีกมันตึง แล้วแต่ความอ่อนแอของแต่ละคนแล้วแต่ความเข้มแข็งของแต่ละคนถ้าคนไหนที่อ่อนแอร่างกายอ่อนแอก็จะปวดหลายจุดขาบ้างแข้งบ้างเท้าโป้บ้างเอวบั้งไหลบั้งหลังบงั้งใช่ไหมแต่คนไหนเข้มแข็งก็จะรู้สึกปวดที่มันทับนะนะอันนี้ตามมาดีนะเดี๋ยวจะลงประเด็นว่าเมื่อเราโน้มนั่งปฏิบัติแต่ละครั้งนะ่ะเริ่มต้นปั๊บเนี่ยเราเริ่มสังเกตอะไรก่อน แต่บอกสังเกตความรู้สึกเอาแต่เราตัวที่นั่งเนี่หายไปไหนเงี้ยไม่ได้สังเกตตัวนี้ก่อนอย่าลืมตัวนี้อย่าอย่าลืมตัวตั้งอยเดียวรูปกำนามใช่ไหมอ่ารูปกำนามตัวเวทนาคือความรู้สึกเี่ยเป็นตัวที่สองถ้าไม่มีรูปไอเวทนา ม, มันเกิดไม่ได้ใช่ไหมอ่าไม่มีรูปไม่มีนามที่นั่งอยู่เนี่ยไอเวทนา ม, มันเกิดไม่ได้อ่า ให้เห็นเข้าไป่ายชัดๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนึกถึงธาตสีขันหายาช 12, าจิตสองธาตุสีแปดอินทรีย์สองอะไรมักแปดอะไรไม่ต้องไปนึกถึงทังนั้นเลยนึกถึงเน่ะขณะเนี้ยที่เรานั่งเนี่ยมันเริ่มต้นอะไรก่อนชัดๆลงไวปรูปเนี่ยมันโยกได้มันก็รู้สึกอ่าเห็นชัดๆอย่างเนี้ยอ่ามันรู้สึกแล้วเป็นเวทนาใช่ไหม ทีนี้อเวทนาที่เรารู้สึกเนี่ยใครเป็นผู้รับรู้ว่ามันมีความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเึ่งตึงไหวเจ็บปวดใครเป็นผู้รับรู้ อ, อ่าจิตมาระดับที่สามใช่ไหมจิตเป็นผู้รับรู้แล้วรู้มันรู้เฉยๆหรือแล้วมันรู้แล้วมันรู้สึกยังไงพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆมันรู้แล้วเนี่ยมันรู้เวทนาที่เป็นทุกข์มันรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ให้พอใจแล้วเขาเปียนไปพระบิดานามันหายมัรู้สึกยังไงพอใจใช่ไหมอ่าตัวความพอใจเมื่อพ่อไม่พอใจหรือตัวรู้สึกสบายไม่สบายตัวนั้นเขาเรียกว่าอารมณ์คือธรรมารมณ์เป็นตัวที่สี่ใช่ไหมนี่ให้เห็นตามระดับนี่การปฏิบัติธรรมให้ให้พิจารณาเห็นตามระดับนี่ไม่ต้องไปทําใจให้สงบหรอก บางคนนั่งทือไม่ยา่าเล่ล้วนเลยนะจิตที่สงบนะปวดก็ช่างมันคิดเถอะช่างมันอันนั้นก็ถูกนั่นก็เริ่มเป็นสมถะซึ่งผู้ที่เริ่มต้นให้รู้อย่างนั้นก่อนให้รู้ในสิ่งที่คือไม้ก็อะไรก็เกิดขึ้นอย่าไปอย่าไปรู้มันรู้ความรู้สึกที่มันบังคับให้มันรู้รับรู้อย่างเดียวแต่ไม่ต้องไป รับรู้ไม่ต้องไปแยกแยะหรือไม่ต้องไปเห็นอะไรมันอันนี้เป็นสมถนะนะเรื่องมีคําใหม่ขึ้นมาสมถะเลยใช่ไหมอ่าคือหมายความว่าในรูปนามก็ดีความรู้สึกก็ดีความรับรู้อาการที่มันเกิดก็ดีความภาพอใจไม่พอใจก็ดีไม่ต้องไปทําอะไรมันรับรู้เฉยๆอันนี้ถูกไม่ถูกแต่ถูกเบื้องต้นขเขาเรียกว่าสมถะ แต่ถ้าเราจะกระรุณามองลงไปอีกนิดหนึ่งว่าในรูปนี้ถ้ามันไม่มีน้ําเนี่ยมันนั่งอยู่ยนี้ได้ไหมเนี่เราถึงจะรูบ้บทบาทของน้ําที่มันนั่งได้เพราะมีน้ําใช่ไหมถ้าหากว่าไม่มีน้ำมันก็ล้มแหลลงไปเหมือนคนสรุปไม่มีน้หมือนคนตายเห็น อาการเหล่านี้ชัดๆก่อนถ้าเราไม่มีน้าความเย็นล่อนอ่อนแข็งตึงเคข่งตึงไว้เียเจ็บปวดมีไหมไม่มีนะเห็นอาการของน้ำคือเห็นอย่างนี้คือเห็นตัวน้ำมันไม่มีแต่เห็นอาการของน้ำนะเห็นอาการของน้ำทีนี้ในตัวรูปกับน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปแยกย่อย ห, หรอกให้รับรู้ว่ามันมีแต่ที่สําคัญคืออย่าไปรู้ว่า นี้เรานี้ของเราให้รู้ว่านี้คืออะไรสักท่อนหนึ่งมันกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรสักท่อนหนึ่งให้รู้แค่นั้นจะคือพยายามที่จะไม่ไม่ไปแยกว่ามันเป็นดาวเป็นของเราให้เรารู้มันนั่งเฉยๆแต่การรับรู้ว่ารูปนี้มีอยู่เพราะอาศัยนามนะเขาเรียกว่ารูปทําหน้าที่ของรูปคือ ส่งไว้ซึ่งน้ำนามทําหน้าที่ของน้ำคือส่งไว้ซึ้งเพราะฉะนั้นลูป ก, กับนาำมันจึงไมาเป็นไม้สองขาเนี่ยมันอิงกันอยู่ถ้าเอาขาใดขาหนึ่งออกหมายความว่าก็ อ, อยู่ไม่ได้ใช่ไหมต้องลม้มแต่ถ้าหากว่าสองขาเนี่ยมันจะตั้งอยู่อย่างมั่นคงได้ไหมถ้ามันไม่ทิ้งขาอื่นเนี่ยแต่ขยายขามันก็กว้างพอตั้งได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ในกรณีขาไม่กว้างมันก็ต้องมีขาอีกขานึง สามขาตั้งอยู่ได้แล้วถึงจะไม่มีฐานก็ตามนะแต่ถ้าหาให้สองขาจะตั้งอยู่ไดต้องมีฐานให้กว้างตั้งอยู่ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีฐานกว้างเนี่ยต้องมีสามขาเพราะฉะนั้นรูป ก, กับนามแล้วก็ต้องมีอะไรอีกขาหนึ่งเรียกว่าธรรมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมไงรูปนามรูปธรรมนามธรรมถ้าเรามีรูป มีนามแต่ว่ามันไม่ทําหน้าที่อ่ะรูปนามนี้จะอยู่ได้ไหมอ่าไม่ได้นาคือหมายเขาว่าโยมจะมานั่งอยางนี้ก็ไม่ได้เพราะอาจจะไปนอนก็ได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะไปที่ไหนก็ไม่ได้คือคือนั่งอยู่นี้นามมันไม่ทําหน้าที่หลับนามมันไม่ทาหน้าที่ไอทำมันไม่ทาหน้าที่นามยังทาหน้าที่อยู่นะหลับมันไม่ใช่คนตายจะมีนามยงนามอยู่ใช่ไหมไอคน นอนคิดก็ไม่ใช่คนตายนะแต่ว่ามันไม่รับรู้ถึงเรียกว่าไม่มีรูปธรรมนามธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมนี่เพราะฉะนั้นไอ้คําว่าธรรมตัวนั้นนจึงเป็นตัวแปรที่สําคัญทุกสั ต, ตว์ทุกตัวทุกตนนะแก้วเนี่ยมันมีรูปธรรมนามธรรมไหมแก้วน้ําเนี่ย เนี่ยถ้าถ้าลูกไม่ทํำแก้วนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมแก้วเป็นลูกเป็นลูกแต่เดียวเป็นลูกอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นลูกของมันเองขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมต้องทําใครเป็นผู้ทําใครเป็นผู้ทําำนามเป็นผู้ทำใช่ไหม แต่ถามว่านามไปทูธทำมายมีนามไหมมีใช่ไหมถามว่าทำแก้วนี้ได้ไหมแน่นแน่นเห็นบอกว่ารูปคือแก้วนี้ใช่ไหมนามคือคนที่แล้วว่าเอามันมาน่ะใครเอามาก็ได้เมื่อกี้อจะมาไปเอามาเพราะนามมันเอามาถ้าเอามาไม่มีนามเอามาแก้วนี้มันได้แต่ในตัวนี้มันไม่มีนามแต่มันอาศัยรูปทํานามทํามันจึงมาได้ ก็ไม่เหมือนกับว่ามันมีน้ำด้วยเหมือนว่าแต่มันไม่มีแต่เหมือนว่ามีถ้ามันไม่มีน้ำนะมันมาที่นี่ไม่ได้ใช่แต่รูปนี้มันทำหน้าที่อะไรคือใส่น้ำดื่มใช่ไหมมันทำหน้าที่อรไรยังมันก็มีรูปทำน้ำทำด้วยในวัตถุนี่นะแสดงว่ารูปทำน้ำทำนี่มันต้องอิงกันตลอดเวลาอิงเงินตลอดเวลาอ่า ถ้าไม่อิงยมก็พูดไม่ได้ยมก็นั่งไม่ได้ยมก็คิดไม่ได้เนี่ยการการปฏิบัติแต่ละครั้งเน่ยนั่งลงปั๊บเนี่ยให้ดูสิ่งเหล่านี้นะไม่ใช่โอเคถ้าทาสมถะไม่ต้องไปดูสิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่รู้อะไรนานเท่าไหร่จิตก็สงบเท่านั้นแต่เมื่อมีปัญหาและอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตก็ไม่สงบเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะนั้นสมถะลำพังแต่สมถะจริงไปสู่ การดับทุกข์ไม่ได้แต่เพียงบรรเทาทุกข์เท่านั้นนะก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นักปราชญ์ศาสดาทั้งหลายก็สอนแต่เรื่องเนี่ยเรื่องแต่สมถานี้เท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาพระพุทธเจ้ามาพบอีกตัวหนึ่งเนี่ยพบที่เรียกเขาว่าเข้าไปดูในสิ่งที่แม้แต่ความสงบนะความไม่มีเกิดต้องเข้าไปดูว่ามันสงบเพราะอะไรเพราะในความสงบนั้น แล้วทำไมมันจึงไม่สงบด้วยล่ะมันต้องมีเหตุใช่ไหมตรงนี้แหละพุทธะจึงเกิดขึ้นนะแล้วก็มาชี้เรื่องลูกทำนามทำให้เราเห็นนะดังนั้นเวลาเราลงนั่งปั๊บเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะนั่งอย่างไรเราจะนึกถึงอะไรพุโทโธหรือธรมโมดีสัมมาหังหรือเคลื่อนไหวดีอย่าไปคิด เอาตัวอะไรที่ปรากฏในขณนะนั้นเอาตัวนั้นะเป็นนิมิตกรมรมฐานไปเลยเรามีตัวนั่งก็ให้รู้ว่านั่งแล้วนั่งนี่มีอะไรรู้ต่อไปมีเจ็ตมีปวดมีเมื่อยมีสบายไม่สบายรู้ต่อไปเรื่อยๆนะอาการเหล่านั้นใครเป็นผู้รู้ล่ะใจเป็นผู้รู้เรารู้เราเป็นรู้สึกเป็นยังไงสบายหรือไม่สบายสุขหรือทุกข์รู้ แล้วสุขแล้วทุกรู้สุกแล้วมันมีอยู่สุขก็มีอยู่ในขณะนี้นเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์อะมาคนส่วนใหญ่มันจะเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหยียบไหมอ่าเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมเมื่อมีลูกทําน้าทําสิ่งที่ตามมาคือลูกทุกข์นําทุกข์เอออันนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านชัดมากคือท่านพูดถึงสภาวะที่ปรากฏไปโดยที่เป็นสภาวะล้วนๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยปริยัติเลย ท่านเห็นสภาวะที่มันมีอยู่จริงๆชัดๆขนาดนั้นโดยที่ไม่ต้องอ้างอะไรเลยแมมทุกคนก็เห็นเหมือนท่านใช่ไหมมันไม่ใช่ของยุ่ยยา ก, กซับซ้อนอะไรเลย <c oughs> นะให้ตั้งต้นให้ดีว่านั่งลงปั๊บใครเป็นผู้นั่งลุ้นมน้ำไปผู้นั่งนั่งลงปั๊บใครเป็นผู้รู้สึกสบายหรือไม่สบายจิตใช่ไหมแล้วก็นั่งลงปั๊บมันนั่งอยู่เฉยๆหรืองไงไม่เฉย จิตมันต้องคิดมันต้องรู้ใช่ไหมลูก ท, าาทาํางานนําทํางานได้ยังทําแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นะแล้วมันทํางานลูกทํางานทํางานแล้วมันเกิดอะไรทุกข์อ่าคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะและในทุกเนี่ยมันก็มีอะไรตามมาด้วย ก็มีไม่ทุกในธรรมะว่าอย่าไม่น่าจะคิดลึกเลยนะว่าอย่าบอกอยากให้คิดลึกเรื่องธรรมะเนี่ยแต่คิดลึกยังไม่รู้ให้อย่าว่าคิดตื่นก็ไม่ใช่บอกว่ทุกอสิ่งที่กองข้ามมันก็คือคือมันก็ไม่ทุกสุขนี่เป็นสิ่งตรงข้ามกว่ทุกไหมยมีน้สุขนี่ตรงกข้ามกว่าทุกไหมยมมุนทา อ่าเมื่อกี้เอามาเอาน้ํามาในร้อนตั้งไว้นานมันเย็นแล้วน้ำเมื่อกี้กับ น, น้ำเดี๋ยวนี้มันเป็นคนละน้ำหรือน้ำเดียวกันน้าเดียวกันอ่าทําไมว่าตรงกันข้ามอ่ะไอะความร้อนตรงข้ากับความเย็นไหมตรงข้าไม่ใช่ไม่ได้ตรงข้าม น้ำเมื่อกี้มันร้อนเดี๋ยวนี้มันเย็นน่ยทำให้มันจึงเย็นนะเพราะอะไรมันเปลี่ยนไปมันเป็นเปลี่ยนไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่ร้อ <c oughs> นไม่ใช่ใช <c oughs> เพราะการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกอะไร น, น, นานเห็นไหมเห็นไหมอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตามมาแล้วเมื่อกีเรานั่งปวดพอเราเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นหรือความไม่ปวดเกิดขึ้น ความไม่ปวดนี่เปสุขไหมแน่เนี่ยมันมันพนพราดตรงนี้เองนะความไม่ปวดก็คือความไม่ปวดไม่ใช่ความสุขน้ํามันเย็นก็คือน้ําเยน็นน้ํามันร้อนก็คือน้ําร้อนไม่ใช่ใน้ําเย็นตงงัวข้างกับน้ําร้อนน้ําเย็นมันกลายเป็นน้ําร้อนกลายเป็นน้ําเย็นเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะน้ําร้อนกับเย็นอันเดียวกันแต่มันอยู่คนดละขวัวเท่านั้นเองน้ําเดียวกันนะ่ะ แต่มันอยู่คุณรู้ทำไมมันอยู่คนไปกี้มันอยู่ขั้วนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดิทำไมมันอยู่ขั้วนี้เพราะอะนิจังไอ้ขณะที่มันเปลี่ยนในีเป็นอะไรทุกขังแล้วมันมีตัวไหมตัวร้อนตัวเย็นมีตัวจริงไหมถ้ามันเป็นตัวจริงมันต้องร้อนตลอดเวลาสิใช่ไหมมันต้องไม่เปลี่ยนเป็นเย็นสิอันนี้มันเปลี่ยนเป็นเย็นเพราะมันไม่มีตัวแต่มันมีการระบบอะไรการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมหลวงพ่อทียนั่นชี้ชัดมากเลย มีรูปทำนามทำรู ป, ร ป, รปทุกนามทุกแล้วมีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้แต่ท่านอาศัยคําพูดของปริยัตินะแต่ท่านพูดถึงสภาวะมันนี่คือสิ่งที่พึงจําไว้ในลงมือปฏิบัติแล้วสูตรหลงวงพ่อเทียนเป็นสูตรที่รัดสั้นและชัดเจนอย่างนี้ที่ว่าหลงวงพ่อเทียนชัดถ้าเขาถามว่าชัดยังไงหลวงพ่อเทียนรัดสั้นยังไงบอกงาดิถ้าเราไม่ ซักซ้อมกับตัวเองไม่ฝึกกับตัวเองเราจะบอกคนอื่นได้ไหมมันรัดสั้นยังไงบอกไม่ได้เอาวิธีการลงวิทยานีชัดเจนนะรัดสัน้นรัสั้นอย่างบอกผมได้ไหมดูความรู้สึกตัวไม่มีทุกข์ใครก็พูดได้สิอย่างเงี้ยใช่ไหมใครก็พูดได้ทีต้องชี้ให้เขาเห็นสภาวะให้ชัดลงไปว่ามันสั้นอย่างไรนะดังนั้นเรื่องธรรมะนี่อย่าไปนึกมาพูดเลยไม่ถูกหรอกแต่ต้องเอาตัว สัมผัสสภาวะที่เกิดขึ้นแต่การสัมผัสสภาวะในขณะนั้นนั้นเนี่ยเราได้ศึกษาได้เฝ้าดูได้สังเกตมันยังต่อเนื่องไหมอันนี้คือปัญหาส่วนใหญ่เรารู้แป๊บเดียวใช่ไหมแล้วก็ไปเรื่องอื่นการที่เราไปรู้อะไรแป๊บเดียวเนี่ยมีทางที่จะชัดเจนในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นั่งนานๆไงนั่งนา น, น, านเดินนานๆยืนนานๆ ทำนานๆนเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าไปดูสิ่งนั้นรอบแล้วรอบอีกขนาดไหนนับไม่ท้วนอ่าใช่ว่าไม่มีที่สุดมันนับไม่ท้วนก็จะเป็นอางไขนั่นแหละท่านบอกว่าต้องบำเพ็ญถึงอสงไขแสนกลับเลยนนะถึงจะรู้ธรรมะโอ้ทำไมมันนานได้เกินใช่ไหมโอ้อางไขนี่นับไม่ได้นะนค่อยอสงไขผิดอีกก็นึกว่าอางไขเป็นการเวลา คำว่านับไม่ได้คือดูอาการที่มันเกิดดับเกิดดับอ่ะจนเกิดไม่มันนับไม่ได้ว่ากี่ครั้งกี่หนดูไปอยู่อย่างนั้นนะอ่ะอันเข้าเที่ที่อสังขยะก่ะดูมันจนกระทั่งว่ามันไม่รู้เท่าไหรล่ละนับไม่ได้ว่าเช่ว่าเป็นบา ร, รมีมาสี่แสนอาศงขยกับแล้วถึงจะบรรลุธรรมอันนั้นแนหะมันเป็นปีนาธรรมแล้วเข้าใจผิดกันหมดเป็นสังวัตรกรวิวัตรกร คือดูอาการเนี่ยเรานั่งถามโยมว่าถ้านั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอความปวดที่มันเกิดขึ้นในการไม่สบายที่มันเกิดขึ้นนับได้ว่ามันเป็นเท่าไหร่นับไม่ได้แล้วก็การเอาสติเข้าไปเฝ้าดูอาการเหล่านี้เรานับได้ไหมว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็นับไม่ได้นี่คืออาศงไขอย่างนี้นะอสศงไขคือนับไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่าไป อย่าไปนับมันนะลู้มันเฉยๆนะแล้วนั้นให้รู้ไปตามลำดับเงี้ยทุกท่านดีๆนะเบิ้งตน้นที่สุดใครเป็นผู้นั่งลูกนามเป็นผู้นั่งอ่าแล้วนั่งแล้วรู้สึกยังไงแล้วใครเป็นผู้รู้สึกแล้วรู้สึกว่าอย่างไรใช่ไหมเห็นไปชัด ๆ, ๆ, ๆ, ๆตามลําดับเห็นแล้วก็สุขทุกเป็นคําสมมุติสุขกับทุกข์อันเดียวกันเราบอกสุขคือทุกที่น้อยกว่า ทุกคือสุขที่น้อยกว่าสุขคือทุกที่น้อยกว่าทุกคือสุขที่น้อยกว่าแต่อันเดียวกันร้อนคือเย็นน้อยกว่าเย็นคือร้อนน้อยกว่าทั้งนั้นเองเนะียทั้งหมดคือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนทุกอย่างไปอันนี้คือกฎแะตัวทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ย มันเกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามเกิดขึ้นกับรูปเนี่ยเป็นการถาวรทีเดียวอันนี้จันขังตานนี่นะความเปลี่ยนแปลงก็ดีความไอ่เที่ยงความเป็นทุกความไม่มีจัเกิดขึ้นกับรูปเป็นการถาวรเพราะมันติดมาด้วยกันถ้าไม่มีนิจังทุกขังนาตาลูปมันก็ไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําร้อน ถ้ามีน้ำร้อนถ้าไม่มีนิจังทุกขแดนมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นไม่ได้เพราะไม่มีขบวนการนั่นนิจังทุกขังนาตาเพราะมีกระบวนการนิจังทุกข์น้ำร้อนถึงกลายเป็นน้ำเยน็นนะทีนี้เมื่อเราเห็นว่ารูป ก, ก็ดีน้ำก็ดีรูปทำน้ำทำก็ดีรูปทุกน้ำทุกข์ก็ดีมันเป็นอนิจังทุกขงังตาถามว่าในเมื่อรูปเป็น ขบวนการของนิจังทุกขงังแ้งโดยถาวรแล้วเราจะไปพึ่งอะไรอ่ะใช่ไหมอันนิจังก็พึ่งไม่ได้ทุกครั้งก็พึ่งไม่ได้อนาตตาเราจะไปพึ่งอะไรมันยังมีเหลืออีกตัวหนึ่งคือนามนามนี่ถือว่าเป็นนิจังทุกขรังงนาตาด้ว ย, ยไหมในกรณีไหนเพราะว่าความเปลี่ยนแปลง อ่าเอาล่ะถามวิธีนะน้ําเนี่ยตอนแรกเอามาร้อนใช่ไหมแล้วมันเย็นทีนี้จนบันนี้ความเย็นความร้อนยังเหลืออยู่ในน้ํานี่ไหมไม่เหลือมันเหลืออะไรอ่ะเหลือแต่น้ำเหลือแต่น้ำรูปมันเปลี่ยนไปแล้วก็เหลือแต่น้าและน้ำตัวเนี้ย ถ้าเป็นน้ำที่น้ำที่มันขุนเนี่ยใช้ดื่มได้ไหมน้ำที่มันขุนข้นด้วยดินด้วยของสุกปกดื่มได้ไหมเพราะความสุกปกนั้นเป็นรูปใช่ไหมถ้าในน้ำนั้นมีรูปอยู่มันก็เป็นไปตามอำนาจของอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่ว่ารูปอยู่ที่ไหนไอตัวขบวนการที่จังทงุกขังต้องตามไปติดๆเลย ที่นี่จะทำางไงเื่อให้อั น, นิจจังทุกขาราตามถึงก็ต้องเอารูปออกจากนามใช่ไหมนี่คือขบวนการของวิปัสสนาคือแยกเอารูปออกจากนามให้ได้ถ้าดาบใดรูปกับนามนามกับรูปยังอิงอา ย, สายใส่กันอยู่มันก็ต้องเป็นไปดามกดอ น, นั้นใช่ไหม ดังนั้นจะทำไงขบวนการวิพากษ์วิจารณ์คือแยกความรู้สึกออกมาให้ชัดๆเหมือนกับเอามาพูดหลายครั้งเหมือนกับแยกกะทิออกจากน้ำมันตราบใดถ้ากะทิยังอยู่ในน้ำมันเนี่ยเมื่อมาถึงเวลาบูดเสียน้ำมันเสียได้ไหมเพราะว่าเพราะกะทินั้นเป็นวัตถุที่ยากเสียเร็ ว, วใช่ไหม แต่น้ำมันเป็นวัตถุที่ละเอียดเสียช้าดังนั้นเอาวัตถุเร็วสีที่เสียเร็วไปผสมกแบบับวัตถุที่เสียช้ามันก็พลอยเร็วไว้ด้วยกันเพราะถ้าต้องแยกเอาก็ที่ออกให้เหลือแต่น้ำมันน้ำมันเก็บไว้ได้นานใช่ไหมชั้นใดก็ดีถ้าเอารูปไปปนกับน้ำรูปต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอันนี้ชางทุกข์ังหน้าตาที่ี่เราไม่อยากจะให้น้ำมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องแยกรูปออกมาแต่ในความเป็นจริงรูปน้ำไม่แยกกันไม่ได้ แต่นามรูปแยกได้อันนี้จําทุกขังนะตายแต่รักแล้วนะการมารู้รูปกับนามคือมารู้ขันห้าใช่ไหมรูปนามอขันห้าย่อแล้วเหลือสองคือรูปกับนามอันนี้จําทุกขังมารู้ขันห้าเห็นหเห็นสูตรหลวงพ่อเทีนมาชัดไหมลำดำับเห็นชัดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อปฏิบัติที่เรา จะต้องจุดจำสั้น ๆ, ๆแล้วเอาไปทำแค่นั้นไม่ต้องไปรู้รว่าไตรปิดกมากมายมหาศาลหรอกเราไม่ต้องไปฟังครูบาอาจารย์อะไรให้มันยุ่งยากแล้วเอาไปทำจุดนี้แต่ในกรณีที่ต้องฟังครูบาอาจารย์เพื่อที่จะซักซ้อมจุดนี้บ่อยๆให้เราจดจำได้เอาไปทำเท่านั้นเองแต่เราฟังแล้วแล้วไม่เอาไปทำอ่ะฟังร้อยครั้งฟันหุ่หนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเยอะไหมฟังร้อยครูบาอาจารย์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วฝึกอีกก็เหมือนเหมือนไม่ได้ฟังดังนั้น นี่คือต้องพิสูจน์พิสูจน์ ต, ต้องมีคุณสมบัติห้าอย่างหนึ่งมีศรัทธาที่จะทำสองลงมือทำสามในขณะ ท, ทำต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วถึงจะเกิดปัญญาแล้วถึงจะรู้ในความเป็นจริงอันนั้นดังนั้นในย้อนมาอีกทีหนึ่งในนามนั้นกับลูกเราจะแยกอย่างไรอ่าดูว่าถ้าหากว่ารูป ก, กับนามติดอยู่เนี่ยมันต้องเสื่อมสลายไปตามหลักของนิจังทุกขังนาตา ถ้าหากว่านามนี้มาเกาะกับรูปนะคือนามคือความรู้สึกมาเกาะกับรูปเรียกว่ารูปนามใช่ไหมแต่ถ้ารูปไปไปเกาะกับนามเรียกว่านามรูปอมีคําใหม่ขึ้นมาแล้วนะนามรูปนามรูปกับรูปนามเราเรียกว่าขันห้าเพราะขันห้าเนี่ยเป็นได้ทั้งนามรูปและเป็นได้รูปนาม และเป็นได้ทั้งนามเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไร่มันพัฒนาเป็นนามเฉยๆเราไม่ไเรียกว่าขันห้าแล้วเราเรียกอะไรเรียกปรมัาถ้ามันเป็นขันห้าอยู่เฉยๆที่เป็นทั้งนามทั้งลูกลนะูกนเราเรียกว่าสมมุติอหมเห็นไหมมีคำใหม่ขึ้นมาแล้วรู้จักลูกปขันห้าแล้วไปรู้จักสมมุติปรมัจารย์เรบเนี้ยคือสูตรหลวงพ่เทียนถ้าใครไม่ปฏิบัตินะก็จะมีความจำเท่านั้น จำว่าเป็นส่วเนี้แต่เวลาเอาไปปฏิบัติลำดับไม่ถูกว่าเริ่มต้นอะไรก่อนมันก็เป็นส่วนหลวงพเ่เห็นไม่ได้เพราะเนี่ยในช่วงนี้มาอยากจะนําเรื่องนี้มาพูดเพราะในช่วงนี้ทําเมืองไทยเองก็จัดงานหลวงพ่อเทียนเวียนเทียนทํำลาดึกะจากวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่บสี่บ้างที่ขนาสนมในที่ทับวิญควญที่วัดโมก เ้าจัดเป็นเทียนทำงานนี้จึงจัดงานเดียวจะได้สองงานคือนาะมาค่าบูชาด้วยงานเทียนทำรำลึกด้วยห้าวันเนี่ยจึงมีความหมายมากเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดถึงสูตรเหล่านี้กันหรอกพูดก็สเปะสป่าไปเพราะไม่แจ้งด้วยตัวเองจึงไม่ชัดเจนแล้วจึงไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะตัวเองก็ไม่แจ้งพูดไปก็สับสนคนฟังก็ไม่รู้เรื่องในที่สุดสูตรหลวงพ่อเทียนก็ค่อยหายไปหายไปหายไ ป, ยไปสั่นไปบดไป ดังนั้นที่ว่าเราโชคดีโชคดีแล้วสิ่งที่มาพูดเนี่ยสัมผัสได้ไหมเห็นจริงไหมใช่ไหมไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเลยใช่ไหเห็นตามนั้นไหมเห็นใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่มีในตัวเรามีแต่รู้แต่เห็นแต่เป็นมียังไม่เกิดนะ แต่ถ้าหากว่าคนไหนเอาไปทำด้วยลักษณะห้าประการที่กล่าวมาม่กี่มีศรัทธานในการทำมีความเพียรในการทำในขณะทำก็มีสติสมที่ปัญญาด้วยคนนั้นก็จะมีขึ้นมาคือสามารถที่ว่าแยกรูปแยกนามแยกอย่างไรนะในขณะนี้นั่งเนี่ยรูปถามว่าการปวดมีจริงไหม ม, มีใช่การปวดเ ป, ป็นรูปหรือเป็นนาม เป็นนามความรู้สึกปูดเป็นรูปปวดเป็นรูปความรู้สึกปวดเป็นนามนี่เห็นไหมชัดยาขึ้นมาแล้วความรู้สึกว่าปวดเป็นนามรูปตัวผู้ปวดนี่เป็นรูปนาําแต่ใครเป็นผู้รู้อ่ะว่าขณะนี้รูปนา ม, มันกระปวดใครเป็นผู้รู้ นามเป็นผู้รู้นามตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปรางหรือนามรูปตรงนี้เองเราเรียกว่าสติปัญญาเรียกว่าปรมัดนะตัวรูปนามก็เป็นสมมตินามรูปก็เป็นสมมติแต่ตัวเข้ามารู้ว่านามรูปเป็นยังไงมันปวดหรือไม่ปวดสบายหรือไม่สบายมันเป็นปรามัดเห็นไหมอันนี้คือเส้นทางธรรมเป็นลายแทงของของธรรมของวงวโธินเลย เอาไปซักซ้อมเอาไปปฏิบัติไม่จะเป็นต้องเชื่อที่มาพูดหรอกแต่เอาไปทดสอบดูนั่งรู้ปั๊มเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ฉันใจสงบอะใช่ไหมทำจิตให้สงบนิ่งเฉยไม่กระดุกระดิกหลับตาเพ่งชานเข้าชานไปนู่นเลยนี่มันจึงเป็นสมถะอยู่ล่ำไปไงที่ปฏิบัติกันเนี่ยเนื้อในวิธีการขวัฏฏไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสมถะไม่ได้นะเป็นได้ถ้าเราํารวจไม่ถูก ยกมือดีๆนี่แหละเป็นสมรรถนะนะนั่นงลงไปปั๊บเนี่ยอะไรรู้สึกก่อนเข้าไปรู้จุดนั้นถ้ารู้สึกเจนทนไม่ได้ทำไงไอการเปลี่ยนนั้นอะไรบอกให้เราเปลี่ย น, ยนสติบอกเรานามันเป็นกว้างใหญ่ใช่ไหมมันคเราบอกว่านามก็เหมือนกับพันธทุ่ดินะ พูดอย่งนี้ก็ถูกแต่มันไม่ใช่เพราะมันมันครอบคลุมหมดใช่ไหมเออเอาน้ํามากินเนี่ยน้ําอะไรก็น้ำหมดแล้วกันน่ะจะกินน้ําอะไรอน้ําแกงน้ําแป๊บสี่โคหน้ากาคาเฟน้ําชาน้ําปลาสว่าน้ำเราไม่รู้จะเลือกน้ําอะไรก็บอกว่าน้ำมันระบุลงไปเหมือนกันในขณะที่เรานั่งปั๊บเนี่ยอ่าจูๆปวดขาเลยไหมไม่ให้นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าถึงจะปวดให้เห็นนใช่ไหม ทีนี้เราจะทําใหญงปวดมันก็ทรมานสิเบียนเบียนตัวเองสิใช่ไหมจะทําเงไงไม่ให้มันปวดอ่ะถ้าหากว่าคนนั่งเล่นไพ่เนี่ยมันรู้สึกปวดไหมสาวันเช้าคืนมันไม่ปวดเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้มันไม่รับรู้แต่ที่เรารู้ได้ไวเพราะมีตัวรู้ตัวนั้นแต่ตัวรู้ตัวนั้นเป็นตัวรู้ที่เป็นสรรชาติยานไม่ว่า คนยากคนจนคนรวยคนมีคนป่วยคนไม่ป่วยนั่งปวดเหมือนกันหมดจะป ว, ปวดมากปวดมากปวดน้อยอีกเรื่องหนึ่งแม้แต่สัตว์มันนอนอยู่มันก็ปวดมันถึงลุกหนีใช่ไหมนี่คือสัญชาติยานทุกคนมีอยู่แต่การที่จะไปบําบัดการปวดมันให้มันมากนะ้อยให้มันหมดไปต้องมียานอีกตัวหนึ่งยานตัวนี้เรียกว่าอ่าวิปัสสนาญาณถ้าเราเปลี่ยนไปปวดแล้วก็เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นญาณไหม เป็นยานเรียกว่าสันชาตติยานไม่ต่างกับยานของสัตว์ <c oughs> ใครก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่ถ้าก่อนที่จะเปลี่ยนให้รู้ว่าเอ๊ะเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันปวดหนักยังไงเบายัางไงมีการพิจารณาต่อดูทดอลองเฝ้าดูแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างรู้สึกตัวเห็นการหายไปของการโปวดเห็นการดับไปของการปวดเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกอย่างการเข้าไปอินไซด์อย่างเนี้ยเรียกว่าวิปัสสนาญาณ เห็นหเพราะฉะนั้นสันชาติยานกับวิปัสสนาญาณอยู่ใกล้กันมากถ้าเมื่อไรขาสติไม่มีสติปัญญาเข้าไปดูเป็นสันชาติยานเมื่อใดมีสติสมริปัญญาเข้าไปู้เป็นวิปาาัสสนาญาณยากไ้มวิปัสสนายากไหมไม่ยากเลยเพื่งเข้าไปดูดตลอดทีนี้ตัวที่วิปัสสนาญาณมันจะทำงานได้เนี่ยตัวไหนเป็นสนามงานของมัน สติสมาธิเป็นสนามงา น, นเพราะฉะนั้นเราจึงเตรียมสนามไว้เสม อ, องไงจะเครื่องบินจะลงหรือไม่ลงต้องมีสนามเอาไว้จะลงเมื่อไหร่มันไม่บอกเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวสติสมาธิเหมือนกับสนามอ่าตัวสิ่งที่มากระทบเหมือนกับเครื่องบินลงกระทบเครื่องบินผู้ร้ายหรือเครื่องบินผู้ดีก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่มากระทบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่รู้แต่ว่าต้องมีสนามให้มันลง แต่เคืองบินเข้ามาแล้วจะจัดการอย่างไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาญาณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญามาอยากจะเน้นถ้าจะพูดกันจริง่านปฏิบัติไม่แค่นี้ไม่ต้องไปล่ายาวอะไรมากไม่ต้องไปพูดถึงที่ไปที่มาอะไรให้มันยุ่งยากแต่ที่เราจะเป็นต้องพูดก็เพราะบางทีผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรู้พูดกี่การกี่การก็ยังหลับตาฟังกันอยู่เนี่ยแสดงมันไม่พร้อม เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอินไซน์นะอินไซน์เข้าไป i ิ l l ลียมไอวินทอลวิ t เลด์โอเคทูเดย์เ e r ี่อินเทอร์เรสติ่งโอเคเหมือนเขาจะเข้าใจแล้วก็ต้องยัยฟังเหมือนเขาจะเข้าใจดังนั้นเอาไปทวนให้ดีนะแค่นี้นะเดี๋ยวสับสนตั้ง้นที่รูปนา ม, นามในรูปนามมีความรู้สึกเย็นอ่อนแข็งเข่งตึง แล้วก็ในการที่เรารู้ว่าความยิเร่อนแขเงทึงตึงมีผู้รู้คือใจเมื่อรู้แล้วออกผลผลออกมาเป็นพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วที่ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นทุกครั้งอะไรก็แล้วแต่ออกมาผนเป็นออกมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมว่ออมาเป็นอย่างนั้น <c oughs> แล้วทีนีเมื่อรู้ออกมาเป็นอย่างนั้นเราจะเข้าไปจัดการอย่างไรนี่คือตัววิปัสสนาเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ถ้าจัดการ ถูกทุกก็ดับถ้าจัดการไม่ถูกมันก็ทุกต่อไปนะดังนั้นการเข้าไปรู้ถูกนี่เองจึงเริ่มต้นมักเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นไหมมันจะไปเกี่ยวโยงกับ ปริยัติโดยอนุมัติของมันเลยที่ที่เป็นหลักที่ถูกต้องนะมันจะเกี่ยวโยงกันถ้าเขาไปรู้ถูกก็หมายความรู้ด้วยวิปัสนาญาณทุกทางกายก็ไม่เกิดทุกทางจิตก็ไม่เกิดแต่ถ้ารู้ผิดบางทีทุกทางกายแต่ไม่รู้ทางจิตหรือบางทีทุกทางจิตแต่ไม่ทุกทางกายแต่ถ้ารู้ถูกแล้วมันไม่ทุกทั้งทางกายและทางจิตที่นี่จะทำไงความรู้ถูกสมาธิิจึงเกิดจึงจะทํางาน ก็ต้องมารู้เรื่องสติเรื่องวิปัสนาเพราะนั้นตัวของสมถาวิปัสนาคือตัวมักคาพูดถึงมัจแล้วหมายถึงตัวสมถาวิปัสนาทีนี้สมถะมันมีสองแบบหนึ่งสมถะแบบพุทธสองสมถะแบบพรามสมถะแบบพุทธก็คือความตั้งใจมั่น ที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังดูเรื่องนี้เท่านั้นเองนี่คือสมถาถะแล้วคือความตั้งใจมั่นสมาถะแปลว่าตั้งใจมั่นนะนั่นไม่ต้องตั้งใจให้สงบหรอกตั้งใจตั้งสติให้มั่นในสะติ ส, สมาธิมาด้วยกันเนี่ยมั้ถ้าตั้งสติไม่มั่นเรียกว่าไม่มีสมาธิทุกคนมีสติแต่สติมั่นหรือไม่มั่นลนะ่ะถ้าสติมั่นแล้มีสมาธิด้วยถ้าสติมั่นมีสมาธิอะไรตามมาปัญญาก็ตามมา มีสนามบินแต่เครื่องบินลงได้ไหล่ยังไสุดที่นั่นคืองบินพังใช่มเพราะนั้นตัวสนามบินคือตัวสติตัวเข้มแข็งของสนามบินคือตัวสมาธิและเครื่องบินมาลงก็คือตัวปัญญาหนรับตาเห็นได้ชัดนะดังนั้นในจุดนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ส ำ, สำคัญเอาจิงตอบยามเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อผู้ฟังผู้ศึกษายัางไม่พร้อม เกจิอาจารย์ครูอาจารย์ท่านจะต้องล่ายาวไปเรื่องอื่นก่อนอาการจะมีศรัทธาทำยางไรการจะรักษาศีลทำยังไงการจะทําความเพียรทางเขาจะเอาชาดกอุทินอะไรมาเล่าให้ฟังเพื่อเพื่อโน้มน้าวเพื่อชักจูงเพื่อให้เกิดศรัทธาตรงนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยเมื่อพวกเราเนี่ยปฏิบัติต่อศาสนามีศรัทธาต่อศาสนามาไม่รู้กี่ปีแล้วใช่ไหมทั้งชีวิตอ่ะไม่ต้องริุมต้นตรงนั้นอีแล้วพวกเรามีพร้อมความเพียรก็มีพร้อม เราก็มาพูดถึงเรื่องสติสัมปชีปัญญาในภาคปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วมันก็จะเข้าใจนั้นเรื่องนี้เอาไปตรวจสอบทบทวนให้ดีนะให้ตรวจสอบทบทวนทั้งสองส่วนทั้งอาตถะและทั้งพยัญชนะทั้งอาตถะหมายความความจริงที่ปรากฏในขณะนี้ที่สัมผัสได้เรืออาถาัถะทั้งพยัญชนะคือลำดับให้เห็นขั้นตอนของมันว่าเกิดยังไงตามลาดับเาเรียกปริยัติก็ได้ นะอัถฐคือของจริงที่ขณะที่ปรากฏขณะ น, นี้นะก็ภาษาของพ่อเทียนก็รู้ <c oughs> อะไรปรมัติบัญญัติอัฏฐบัญญัติคดีคำนี้ไหมแล้วเข้าใจมาเห็นพูดธันเข้าใจมันไม่เข้าใจเ <c oughs> พราะอะไรเพราะเรายังปรมัตย์เรายังไม่ชัดเจนพอรู้ปรมัตย์เรื่องรู้เรื่อ ง, อ, งอัฏฐบัญญัติปรมั ต, ญญตย์บัญญัติอริยบัญญัติฮันว่าขึ้นมาเชื่อนะ นี่ไม่ต้องลุกไปถึงลูกนะเดี๋ยวโยงถึงโดนน่าจะสับสนนะเอาแค่ง่ายๆเสีก่อนตรงเนี้ยลําดับไปเรื่อยๆไปถึงจุดไหนก็หมายความว่าเรารู้ถึงจุดนั้นถ้าไอ้จุดต่อไปยังไม่แจ้งเสดงอะไรยังไม่ถึงก็จะมาต้มทวนใหม่ก็เดินไปใหม่เข้าไปทีนิดเหมือนกับไอ้เจาะเล็กเจาะหินอะใช่ไหมเจาะม่อยู่อย่างงั้นอะถ้ามันเจาะหินไม่เข้ามันระเบิดไม่ได้นะระเบิดหินไม่ได้นะใช่ไหมมันต้องเจาะให้เข้าจเจาะกี่ครั้งกี่ครั้งมัเข้าไปนิดเดี๋ยวก็ต้องเจาะ อันนี้การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมันจะไปลึกไปกว่านั้นก็ก็พิจารณาบ่อยๆเหมือนกับเราเอาลิ่มไปตอกหินเพื่อให้มันเป็นรูเพื่อจะระเบิดอัดเข้าไประเบิดออกมาเนี่ยเพื่อระเบิดอัตตาออกมาเนี่ยมันเป็นอนัตตาเพื่อระเบิดอวิชาออกมามันเป็นวิชานะต้องเจาะลงไปให้ได้ถ้าหินนี้แข็งยังขี้เกียจเจาะแล้วเลยไม่ต้องระเบิดกันเพราะนเด้อมันก็เป็นหินอย่างั้นนะเพราะนั้นเรามาปฏิบัติไม่ใช่ธรรมดานะเรามาเจาะหินนะ ่ปวดทั้งตีนทั้งมือทั้งขาทั้งก็ต้องทํากันอ่ะเจาะวันยังเ่ําเข้าไปนิดเดียวเนี่ยถ้าคนธรรมดาไม่มีความเพียรเนี่ยจะสู้ไหวไหมนั่นอ่ะต้อ ง, องมีศรัทธานี่มีกําลังความเพียรที่มีกําลังสติต้องมีกําลังสมาธิก็มีกําลังถ้าไปต อ, ปอกปักๆเล่นๆเนี่ยเจาะหินไม่จะเข้าไหมไม่เข้าบางคนโอ้เดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้เจาะให้ลาบากแล้วใช่แล้วใช้เครื่องปั่นสวรรค์ นั่นแหละวิปัสนาญาณนะเอธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกันดังนั้นในจุดนี้เอาไปศึกษาไปพิจารณาแล้วก็ทําแล้วไม่ใช่มานั่งทําอยู่ที่วัดสามวันห้าวันเจ็ดวันทําทุกที่ที่และลึกได้แล้วมันจะทะลุถึงเมปลายเป็นเรื่องของมันทําทุกที่ที่และลึกได้เพียงแต่มีสติเข้ามากําหนดรู้เท่านั้นเอง แล้วก็เน้นแต่ว่าสติสติแต่บางทีถ้ามันมีสติถ้าไม่มีปัญญานะมันก็ท้อเหมือนกันนะมีแต่ตอกตอกตอกแต่ไม่เห็นว่ามันจะเข้าสักแค่ไหนเนี่ยตอกแล้ไม่เข้าทําไงเหมือนเราตอกตะปูเนี่ยก็ต้องมาดูไอต้ตะปูมันคตไปหรือเปล่าไม้มันแข็งไปหรือเปล่าเราตอกแรงพอหรือเปล่าใช่ไหมถ้าตอกน่ะ แต่ถ้าตอกมันขขเข้าพวกพวกพวกโอก็เห็นความก้าวหน้าเรื่องเมื่อกันพิจารณาเรามันเห็นแจ้งไปปั๊บปั๊ปัมันก็มีกํำลังใจใช่ไหมอันนี้พิจารณาเมื่อไหร่ก็รูปน้ํารู้ซื่อๆเห็นซื่อๆเวลามีอะไรมากระทบมันก็ไม่ซื่อ ใ, ใช่แล้วน่ะเฉยแล้วน่่ะอานี่นแสดงว่าตอกไม่เข้าไอ้ตอนนั้นมีอะไรบางคนพิจารณาได้ดีใจแต่ใครมาพูดเนีย่ยหน้าเบี้ยวไปแล้วไปแล้วเฉยไปแล้วอย่างนี้เขาเริ่มมาตอกไม่เข้าตะปูเพราะอะไรตะปูมันคดตอกไปแล้วตะปูมันคดน่ะ คนบางทีโมโหซ้ำมันไปเลยนะตีพับไปเลยถ้าคนมีความอดทนหน่อยเอ้ามันคดเอาถอนมาเคาะใหม่ใช่ไหมมาดัดใหม่ให้มันตรงตีเข้าไปใหม่เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันเออมันมากระทบเขาว่าเที่ยวนี้มันจิตมันเฉมันขุดมันมัวเอ้าตั้งโดนใหม่ปฏิบัติไปเอาเขาว่าทีนี้เอ้ามันคดน้อยหน่อยเฉน้อยหนอยโมโหน้อยหน่อยเออมึงว่ากูได้เออไม่เป็นไรลือไม่ฮะมาเท่แต่คําพูดอารมณ์เท่านั้นเองเดี๋ยวมึงก็ลืมอ้าว ถูกลยใช่ไหมถ้าเรายังมีสติกํากับอยู่ใครจะมาด่ามาว่ามาวิภาควิชารอะไรมันก็เฉยได้ไอเฉยได้ก็เรื่องอะตะปูมันไม่คดมันซื่อถ้าเฉยไม่ได้แสดงว่าเป็นไงมันคดแล้วถ้าคดมากมันก็จะว่ามันถูกกระแทกมากๆเลยถูกกระทบตะปกูกระทบมากๆ เ, เพราะนั้นไอสิ่งที่มากระทบนะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะ ตะปูเดียถ้าไม่มีค้อนกระทบมันจะเข้าไหมไม่เข้าการเข้าถึงธรรมะเนี่ยถ้ามันมีสิ่งมากระทบภายนอกน่ะมันจะเข้าถึงได้ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณการที่เขามาด่ามาว่ามานินทานะอ่าเขามากระทบกระแทกก็ขอบคุณเขานะแต่ที่เรายังรับไม่ได้เพราะไปโทษเขาไม่ได้นะไปโทษอะไรตะปูเรายังอ่อนอ <laughs> ไปดัดตะปูซอใหม่ ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะโอ้โหเราจะไม่โกรธใครเป็นเลยขอบคุณที่ที่ว่าฉันขอบคุณนะที่ด่าฉันจำว่าพ่อฉันทำไมเป็นพี่เป็นน้องย่าพ่อแม่ฉันเลไปเลยโคดอย่างหนักเลยตรงนี้โคนแบบดันไม่ได้เลยเพราะงั้นเนอะยพับตีพับไปเลยแต่ปูมันต่อไม่เข้านักพับมันไปเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศึกษาให้ดีแล้วสนุกมามาถึงปฏิบัติในยี่สามสิบปีไม่เบื่อไงี กิเลสมันไม่หมดเป็นเรื่องของมันแต่หน้าที่ของเราต้องทําให้ถูกปฏิบฏัติเป็นากิเลนี้ไม่หมดเลยหลวงพอ่อยอมรับเพราะเราทําเหตุผลเป็นเรื่องของมันะดังนั้นอะไรก็ตามให้พิจารณาถึงรูปธรรมนามธรรมเสมอนะเราปฏิบัตินามธรรมเนี่ยถ้ามันมีรูปธรรมเป็นตัวเปรี่ยนนะี่ยเข้าใจไม่ได้จะสับสนนะ เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี้ยนำเรื่องนี้มากล่าวเพื่อที่จะให้พวกเราได้ระลึกถึงหลวงพ่อเทียนเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วท่านมรณภาพปีที่สามสิบเอ็ดสองห้าสามหนึ่งปัจจุบันนี้เป็นปีสองห้าห้าสองกี่ปีแล้วอ่าถ้าเป็นเด็กก็เราบรรลุนิธิภาวะละ2ยี่เ็ดปีแล้วใช่ไหมอ่าบรรลุนิธิภาวะละ ยี่สิบเดปีนะก็ยังไม่จืดจางแต่ว่าเอามามองดูว่าครูบาอาจารย์ท่านจะยังลําดับให้เห็นเรื่องทางธรรมของท่านยังชัดเจนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้ถ้าเมื่อใดทางเส้นทางธรรมนี่มันเลอะเลือนมันหายไปนะก็หมายความว่าหลวงพ่อเทียนก็ค่อยคนก็ค่อยลืมไปลืมไปแต่คิดว่าคงไม่ลืมง่ายๆหรอกเพราะเป็นความจริงแม่พุทธเจ้าพุทธิปานไปสองสามพันปีนะนะ ก็ยังไม่ลืมแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเทีนรู้ก็ไม่ได้ต่างจากพทุทธเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเส้นทางนั้นเมื่อก่อนมีคุณเคยมีคนเดินแล้วแต่มาไม่มีใครเดินมันหายไปท่านมาพบใหม่ท่านก็มาลือ้อทำเส้นทางนั้นใหม่เท่านั้นเองท่านก็ไม่ได้แต่สรู้ใหม่หรอกแต่เพียงท่านว่ามาทํา